แนะนำบทอัตตะบุญบทอัตตะบุญเป็นบทมบานิยะมีสิบปดองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการถวายพรแด่อัลลอ์ผู้ทรงเกียรติความยิ่งใหญ่ของโปรงและร่องรอยแห่งเดชานุภาพของโปรง่งได้ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในบุญคุณต่างๆของอัลลอ์บทนี้ได้ยกอุทาหอน ถึงเหตุการณ์ในศตวตรรษก่อนๆที่ประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏิเสธบรรดาศาสนาทูตของอัลลอฮ์และได้รับจากการลงโทษและความหายานะอันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาก็ต่างและได้ใช้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และศาสนทูตของกรมได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผิดหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรูของภริยาบางคน และลูกๆบางคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพไปในทางของอโลบทนี้ได้จบลงด้วยการใช้ให้บริจาคในทางของอลอเพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์ให้สูงส่งและเตือนให้ระลึกถึงการกระหมีและการหวงแหนเพรส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคเงินทางของอลอโดยมุ่งหวังความโปรดปรานของพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในมุนทางของอัลลอฮ์ด้วยด้วยพระนามของอัลลอะ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยะุลมุลกฺฺวะลลฺหฺมฺดฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ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 สามัญชนเช่นนี้กระนั้นหรือที่ชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่เราทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะเราเป็นผู้ทรงบงั่งมีทรงได้รับการสรนเสริรลลรบบม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 นั่นแหละเป็นการง่ายสําหรับอัลลาะห์อมินูบิลลาฮวราูลิฮิวันนูริลลดีอันซัลนาวัลลอฮุบิมาตัมะลูนคอบีรังนั้นจงสรัธาต่ออัลเลาะและรอซูลของโพระงและแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและลอัลเลาะนั้นสรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทํายามายัมะอุนุมลิโมิลมอะ ذلك يوم ا ل ت غ ا ب وَمَن ي ُ ؤ م ِ ن ب ِ ا ل ل ه ِ و َ ي ع م ل ص َ ا ل ِ ح ا ي ُ ك ف ِ ر عَنْهُ س ي َ ا ت ِ ه و َ ي ُ د خ ِ ل ه ج َ ن َّ ا ت و َ ي ُ د ْ خ ِ ل ه ج َ ن َّ ا ت ت َ ج ر ي م ِ ن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل أ َ ن ه َ ا ر خ َ ا ل ِ د ِ ي ن فِيهَا أ َ ب َ د ا ذَلِكَ ا ل ف َ و ْ ز ُ ا ل ع ظ ي م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 และนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาจะเป็นผู้พำ น, นักอยู่ในนั้นตลอดกาล และมันเป็นทางกลับที่ชั่วชายิ่งไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอะ์และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอะ์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้อง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 َعَلَ اللَّهِ ل فَنْ يَتَوَكَّرِ م م ؤ a l l o นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่อล l l o t เถิดยาเอวัลล์ดีนั้มัลลูอินน์มินอัจวัจคุมและโอลัดคุมอาดูว ك ลลْ ف ุมฟะَ์ดะรุฮุม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 หาก จ, จริงรักสมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบอลอนั้นนะที่พระหลงมีรางวัองวลอันยิ่งใหญ่ฟตตุลลอฮ์นัสต์ตั๋ตุมวะส์น้าอูวะอาติอูวะอวาติคูขยรลิอุสิุม ดังนั้นจงยำเกรง อ, อัลลอฮเถิดเท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถและจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามและบริจาคเถิดเพราะเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าและผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตารณีแห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ประสบความสำเร็จ หาพวกเจ้าให้อลลอฮ์ยืมอย่างดีแล้วพรงอก็จะทรงเพิ่มมันให้แก่พวกเจ้าและจะทรงเอาภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงตอบแทนแก่ผู้กระทำความดี